เมื่อเช้าได้พูดถึงคนคนเราทุกคนก็มีความดีอยู่ในจิตใจทั้งนั้นแต่บางครั้งเป็นเพราะว่าความโลภความเห็นแก่ตัวหรือความโกรธความเกลียดมันครอบงำก็ทำให้ทำสิ่งที่ไม่สมควรออกมานะถ้าทำบ่อยๆก็กลายเป็นคน ที่มีนิสัยไม่ดีหรือที่เรียกว่าเป็นคนเลวแต่คนเหล่านี้นี่เขาก็ก็ยังมีความดีอยู่ในจิตใจมีความเมตตามีความอ่อนโยนเพียงแต่ว่าเขาไม่แสดงออกมาหรือว่าทำสิ่งตรงข้ามเพราะว่า กิเลสมันหนาเปลือกมันหนาใจิตใจจะหยาบกระด้างแต่ก็เหมือนกับก้อนหินนะนะก้อนหินนี่มันแข็งยังไงเนี่ยมันก็ยังมีที่ว่างให้ต้นไม้ได้จเจริญ ง, งอกงามได้ต้นไม้นี่มันก็อาศัยก้อนหินนะแทรกตัวเข้ามาแล้วก็ออกดอกให้ ดูแล้วเจริญตาได้มีคนคนหนึ่งนะเป็นคนที่มีนิสัยเรียกว่าโหดเหี้ยมก็ได้ชื่อนายชิตแกชอบยิงนกตกปลาแล้วก็นิสัยอย่างคือชอบกินหมาหมานี่ไปตามล่ามาแล้วก็ ยิงเองหรือว่าฆ่าเองบางทีไม่ต้องใช้ปืนนะนะใช้ไม้ใช้ก้อนหินทุบหัวทีเดียวก็ตายเลยแม่นี่ก็อุตส่าห์ขอร้องว่าอย่าทำอย่าทำในชิดนี่ก็ปฏิเสธนะก็บอกว่าอยากกินนะวันหนึ่งเนี่ยก็ ไปเจอหมาขี้เรือนตัวหนึ่งให้หมาขี้เรือนตัวนี้นี่มันก็มาเดินเพ่นพ่านอยู่ในตรอกหน้าบ้านแกเป็นประจำแต่ว่าแกก็ไม่ทำอะไรมันไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะเห็นว่าขี้เรือนนี่มันกินไม่อร่อยก็เลยปล่อยไปถ้าเป็นหมาธรรมดาก็โดนฆ่าตายไปแล้วแต่ว่าวันนั้นเนี่ย ที่บ้านแกตากเนื้อเค็มเอาไว้แล้วก็เผยท่าไหนาไม่ทราบหมาขี้เลือนตัวนั้นมันก็ไปคาบเอาเนื้อตากาพอในชิดเห็นนี่แกก็โกรธนะนี่โกรธมากก็เลยเอาไม้นี่ฟาดหัวแค่ทีเดียวนะหมามันก็ดิ้นชักเลย แล้วก็แน่นิ่งคราวนี้นายเช่นนี้ยังไม่ยังไม่สะใจยังไม่หายแค้นเพราะว่าเรียกว่ารูปหนวดรูปเอามารูปหนวดถึงหน้าบ้านเลยรูปจมูกถึงหน้าบ้านเลยก็เลยกะจะกินมันซะเลยก็เลยกลับไปที่บ้านไปเอานะไปเอามีดไปเอา อุปกรณ์มาเนะเตรียมชำระกันตรงนั้นเลยได้ของเสร็จกลับมาถึงจุดที่หมาขี้เลื่อนมันนอนตายเพรากะว่ามันหายไปแล้วเขาก็เลยโกรธมากตามมันไปก็เพราะว่าเห็นมันกระเสือกกระสนนะยังไม่ตายเสียมันกระเสือกกระสนไปที่ไปที่หลังของมันนายชิก็ตามไปพอไปถึงก็อึ้งเลย เพราะว่ามีลูกอยู่ห้าตัวเนี่ยตัวน้อยๆบางตัวก็กำลังกินนมแม่นมเนี่ยมันแห้งแล้วนะมันพอมากแต่ว่ามันก็ให้ลูกกินบางตัวก็ไปคว้าเอาไปไปกินเนื้อที่หมาคีเรื่นตัวนั้นเนี่ยมันคาบมา แล้วที่เขาอึ้งสะเทือนใจมากคือว่าหมานี่มันมองหน้ามองมาที่เขาเหมือนกับว่าร้องขอร้องขออะบอกว่าร้องขอขอให้มันให้นมครั้งสุดท้ายคือหมาเนี่ยในในชิดนี่ได้เห็นเลยว่าหมาตัวนี้เนี่ยแม้มันจะกำลังจะตายแต่ว่าสิ่งที่มันนึกถึงเป็นประกาศสุดท้ายคือลูกนะ มันนึกถึงลูกมันก็พยายามกระเสือกกระสนไปเพื่อที่จะให้นมลูกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ให้ลูกได้กินเนื้อได้กินเนื้อที่มันไปคาบมาแววตาของหมาตัวนั้นมันวิงวอนร้องขอในชิดบอกขอให้มันให้นมเป็นครั้งสุดท้ายในชิดนี้เรียกว่าสะเทือนใจมากนะเพราะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ย เขาไม่ได้เห็นหมาขี้เรือแล้วละ่ะสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่หมาขี่เรือแต่เป็นแม่ที่มีความรักลูกมากแม้ตัวจะตายก็ขอให้ลูกได้กินนมเป็นครั้งสุดท้ายในเชิดนี่รอกว่าขอนีจุกเลยนะเพราะว่าสะเทือนใจแล้วก็ยังไม่เท่านั้นนะ ไอลูกหมาเนี่ยตัวน้นอยๆเนี่ยมันเห็นนายชิดมามันก็กระเดกหางมาหานายชิดนายชิดแต่ก่อนจะเจอหมานี่แบบนี้เตะแล้วแต่ครั้งนี้มันเตะไม่ลงนะก็อุ้มลูกหมาน้อยขึ้นมาแล้วก็บอกว่าขอโทษนะขอโทษอะไรขอโทษที่ไปฆ่าแม่มันเอาพูดได้แค่นี้ยหมา ขี้เรื่องตัวนั้นก็นอนตายนิ่งเลยในที่สะเทือนใจมากก็รู้สึกผิดนะ้าตาคลอเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยเอาลูกหมาทั้งห้าตัวนี้ไปเลี้ยงจากคนที่เกลียดหมามากเนะี่ยกลายเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่รักหมาเลี้ยงหมาเลี้ยลูกหมาทั้งห้าตัวนนจนโตเลยนะแล้วก็ เลิกเลยนะเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกต่อไปคนถามว่าทำไมถึงเลิกทำไมเลิกยิงนกตกปลาแล้วมันนายชิดก็บอกว่าเพราะว่ามันอาจจะมีลูกรออยู่ก็ได้แต่ก่อนไม่เคยคิดนะว่าที่ตัวเองทาเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงบ้างแต่ว่าหมาขี้เลื่อนตัวนี้มันสอนใจในายชิดมากเลยว่าสัตว์นี่มันก็มีหัวใจ แม้มันจะเป็นขี้เลือนหน้ารังเกียจแต่มันก็มีความรักที่ยิ่งใหญ่มากนะคือความรักลูกนะคนที่นิสัยแบบโหดเทียมหินใจแข็งนี่จิตใจนิอ่อนโยนเลยนะเพียงแค่เพราะหมาขี้เลือนตัวเดียวแต่ว่าเป็นการเรียกว่าต้องแลกด้วยชีวิตนะก็อาจจะทำให้ในายชิดนการเป็นคนอ่อนโยนได้นี่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกนะคือชีวิตของหมาขี้เลื่อน อันนี้เป็นตัวอย่างว่าคนเราแม้กระทั่งแม้ว่าจะมีจิตใจโหดเทียมยังไงเนี่ยมันก็มีความเห็นมีความเมตตากรุณาอยู่เพียงแต่ว่าความเมตตานี่มันถูกห่อหุ้มไปด้วยกิเลสหรือเปลือกที่หนามากบางครั้งนี่ต้องใช้กําลังแรงนะต้องใช้อะไรที่ที่แรงแรงที่จะมากระเทาะเปลือกแห่งความโหดเทียมความเพ่งกระตัวนี้ให้มันออกมาอย่างในกรณีนี้นต้องอาศัยชีวิตของหมาขี้เลื่อนนะซึ่ง มันก็ทำให้ในเช่นนี้นอกจากจะเกิดความอ่อนโยนต่อสัตว์แล้วนี่ยังเกิดความรักแม่ขึ้นมาจับใจเลยหนะมาขี่เลื่อนสอนให้ในายชิ ด, ดเห็นว่าความรักของแม่นี้ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เลยนึกถึงแม่ตัวเองแม่อุตสาห์พร่ำสอนว่าอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะก็ไม่เชื่อเถียงแม่อีก บอกว่าพอวันถึงสิบสองสิงหานี่ในชิดนี่ไปกราบแม่เลยนะแล้วก็บอกแม่จําได้ว่าตอนเด็กๆตอนผมยังเด็กนี่แม่สอนอะไรแม่ช่วยสอนผมอีกครั้งหนึ่งนะคือแต่ก่อนนี่แม่พูดอะไรไปในายชิดหัวเราะนะเถียงแต่ตอนนี้สะเทือนใจนะอยากจะฟังคําที่แม่สอนอีกครั้งหนึ่งนะแม่ก็ก็สะเทือนใจไปกับในชิดด้วยนะ เพราะว่าก็ไม่เคยคิดว่าลูกนี่จะกลับมากลับตัวกลับใจเป็นคนดีถ้คนเรานี่แม้ว่าจะโหดเหี้ยมยังไงเนี่ยมันก็ยังมีความดีอยู่ในใจเพราฉะนั้นเนี่ยเวลามีใครทำดีกับตัวเองด้วยเนี่ยมันก็สามารถที่จะดึงเอาความดีนะั้นเอามาจากใจได้หรือว่าเจอเรื่องที่ สะเทือนใจจากการกระทําของตัวเองยังมีมือปืนรับจ้างบางคนเนี่ยนะยิงคนไม่เลือกหน้าขอให้จ้างมาเถอะถามว่ารู้จักหรือเปล่าคนที่ฆ่าก็ไม่รู้จักนะแต่ทําไมถึงฆ่าเพราะมีคนสั่งอยากได้เงินนะคนเรามันคิดสั้นขนาดนี้นะก็คือว่าอยากได้เงินใครจะสั่งก็ได้นะก็ยิงนะ ยิงไม่เลือกหน้าวันหนึ่งนี่ประเกิดว่าไปไปยิงผิดนะไปยิงโดนผู้หญิงท้องตายทั้งแม่ทั้งลูกสะเทือนใจมากนะแล้วนับแต่นั้นนี่ก็เลิกเลยนะเลิกเลิกเป็นมือปืนเลยวางเลยนะเพราะได้เห็นแล้วว่าไอ้ที่ตัวทำนี่มันมันบาปมากนะ คนไม่รู้อีหนูยอีเนะก็โดนฆ่าไปด้วยจริงจริงก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นคนที่บริสุทธิ์เหมือนกันนะแต่ว่าถูกอาจจะไปขัดผลประโยชน์ของใครบางคนแล้วก็พอมีคนสั่งให้ไปฆ่าก็เลยไปฆ่าไม่ได้คิดอะไรไอตอนใหม่ๆตอนยิงคนและคนครั้งแรกก็อาจจะนอนไม่หลับนะยิงไปแล้วก็นอนไม่หลับ แต่พอยิงคนที่สองคนที่สามนี่มันชินแล้วก็ค่าได้สบายก็มันก็ในชิดนะตอนยิงหมาฆ่าหมาทีแรกนี่ก็อาจาจะไม่สบายใจแต่พอฆ่าบ่อยๆฆ่าบ่อยๆมันจิตแจมันโหดเที่ยมนะเรียกว่าหยาบกระด้างเหมือนกับมือเราแขนเท้าเราเนี่ยไปขัดสีอะไรบ่อยๆเนี่ยมันก็จะด้านนะพอเท้าด้านตีนด้านแล้วนี่ บางทีลูกยังไม่รู้สึกเลยแต่ว่าพอเจออะไรที่มากระแทกใจแรงๆเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้เปลือกที่คอยหอ่อที่ห่อหุ้มจิตใจว่ามันกระเทาะแตกออก เ, เช่นเจอคนที่มีความทุกข์เจอคนที่เขาเดือดร้อนจากการกระทำของตัวเองเรียกว่าหินมันแตกเลยนะ ใจมันอ่อนเหลวแต่บางคนก็ฉลาด น, นะก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีจิตใจเมตตาแต่ก็จะพยายามกดข่มเอาไวนะ้เคยมีคนไปถามพวกนักฆ่าเนี่ยนักฆ่าที่เรียกว่าฆ่าหลายศพนะก็าถามว่าไม่รู้สึก ไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนอที่ไปฆ่าคนที่ตัวเองไม่รู้จักนะมางทีก็เป็นคนดีซะด้วยเ็าบอกว่าก็ไม่รู้สึกหรอกเพราะว่าพยายามกดข่มเอาไว้นะคือถ้าไม่กดขม่มอารมณ์เนี่ยมันมันทำไม่ลงต้องกดเอาไว้กดขม่มกดข่มอะไรกดข่มความรู้สึกสงสารหรือว่าความเมตตาจะได้ ยิงได้แบบสบายใจเมื่อปีที่แล้วนี่ก็มีนะมีเหตุการณ์ที่ประเทศนอร์เวย์มีฝรั่งคนหนึ่งก็ไปคว้าปืนไปยิงเด็กที่กำลังเข้าค่ายในเกาะแห่งหนึ่งตายไปเจ็สิบกว่าคนฆ่าเพราะอะไรเพราะว่า มีความเห็นทางการเมืองแตกต่างจากรัฐบาลคือเด็กที่อยู่เข้าค่ายนั้นมันเป็นเด็กที่คล้ายๆ เ, เป็นกิจกรรมของพรรคของฝ่ายรัฐบาลผู้ชายคนนี้ชื่อเบรเวิกเนี่ยนะแกเป็นฝ่ายที่เกลียร์รัฐบาลมากเพราะรัฐบาลนี้ไปช่วยเหลือคนต่างชาติมันมีคนที่เกลียดคนต่างชาติมาก โดยพระพวกอิสลามก็เลยเกลียดรัฐบาลที่ไปเอื้อเฟื้อคนต่างชาติเห็นว่ามันจะทําให้ประเทศชิบหายวใยปวงนะทำให้อารยธรรมตะวันตกที่มันสะอาดบริสุทธิ์มันเสื่อมเสียไปก็เลยต้องการเล่นงานรัฐบาลวันเดียวกันนั้นก็ไปวางระเบิดที่สํานักงานรัฐบาลทำเนียรัฐบาลแต่ไม่ไม่ไม่ประสบผลก็เลยคว้าปืนไปยิงเด็กนะ ที่พรรคของรัฐบาลจัดเข้าค่ายก็ขึ้นศาลก็มีการสอบว่าทาไมถึงฆ่าคนเขาใหยบรรยายได้ว่าเนี่ยรู้สึกยังไงนะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยเขายิงก็ไม่ตายนะแต่ว่าเขาต้องฆ่าให้ตายก็ยิงซ้ำอีกที แล้วเขาบอกที่เขาทำได้นี้เพราะว่าเขาพยายามที่จะฝึกสมาธิมาก่อนที่เขาจะมาลงมือนี่เขาฝึกสมาธิมานานมากฝึกสมาธิเพื่ออะไรเพื่อจะได้กดข่มความความความสงสารความเมตตาเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาไม่ฝึกสมาธินี่เขาฆ่าไม่ได้ฝึกสมาธิแบบแบบแบบเซนนะแบบญี่ปุ่นนะแบบสมูนไพร ฝึกมานานทีเดียวและพอลงมือก็ได้ผลเลยนะพ อ, เ, อเวลาจะเอาปืนไปยิงใครนี่ยิงปืนเอาจาปืนยิงเด็กนี่ก็กดขมไว้อันนี้ก็แสดงว่าจริงเขาก็มีความสงสารแต่ว่าพระอุดมการทางการเหมือนก็เลยต้องกดขมเอาไว้ไม่งั้นทําการไม่สําเร็จอันนี้เป็นเรื่องมิจฉาสมาธิสมาธิที่ดีก็มีที่เลวก็มีนะนี่นมิจฉาสมาธิ ก็เป็นสมาธิอย่างเดียวกับเวลาฆาตเวลานักโทษประหารวเวลาเวลาเพชฌฆาตจะประหารนักโทษนี่นก็ต้องมีสมาธินะสมาธิในการเอาเอาขวานจามหัวบัดนคอรหรือว่ามีสมาธิในการเอาปืนยิงอันนี้มิจฉาสมาธิที่เราก็ต้องระวังปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไปได้สมาธิแต่เป็นมิจฉาสมาธินี่ก็พาไปอาบายได้เหมือนกัน อ่าแล้วก็เตรียมตัวลับผอม